ชีวิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาสา ม, มารถและพระอัจฉริยาภาพของพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกพระองค์กรมทรัพยากรน้ําได้น้อมนําแนวพระราชดําริในการบริหารจัดการน้ํามาปรับใช้ในการดําเนินงานจาัดสรรทรัพยากรน้ําให้เพียงพอกับการพัฒนาประเทศโดยได้ดําเนินการสร้างระบบส่งน้ํา ที่เป็นคลองส่งน้ำแบบตัวยูความยาว 3,640 เมตรในพื้นที่บ้านห้วยซ่านหมูห่1ตำบลสันทรายอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรสามารถปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้ประชาชนกว่า245ครัวเรือนในพื้นที่ 2,500 ไร่ได้รับประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งน้ำแรงและน้ำหลากอย่างยั่งยืน นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำยังได้ดำเนินการสร้างโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเดินหินตั้งบ้านวังม่วงหมู่หนึ่งตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาโดยได้สร้างแหล่งน้ำขนาด60ไร่ความลึกเก็บกัก4เมตรความจุ 542,200 ลูกบาทเมตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพ้นขีดความยากจน3 2ม0 0ืบาทต่อปีประชาชน120ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร30ไร่ได้รับประโยชน์น้ําคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้ํา ประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้ํารปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำโทรหนึ่งสหนึ่งกดหหรือ w w w d w r g o t h